เจอในทรรมนิสติธรรทุกท่านนะต อ, อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงวาละทิ่ก่อนเฉพาะพรรษาปีนึงก็มีพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งก็อสามเดือ น, นะเพราะว่าพารรษาก็มาจากคาว่าวัดษาแปลว่าฤดูฝนวัดษาก็แปลว่าฤดูฝนปกติก็ สี่เดือนนะแต่ท่านก็กำหนดให้เข้าพรษาแค่สามเดือนพันษาก็มีทั้งพรษาแรกแล้วก็ภรษาหลังาคนตัวนใหญ่จะรู้จักพรษาแรกกแค่นั้นหลังจากัเป็นเดือนแปดไปนะแล้วหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพันาหลังก็ขาดจากนั้นอีกเดือนหนึงก็เป็นความสะดวกเพื่อน บางรูปท่านไม่สะดวกในการเข้าภาษาแรกก็เข้าภาษาลังก็ได้แล้วภาษาเป็นเรื่องของพระอยู่จำภาษาทำไมจะเกี่ยวกับโยมยังไง<ม>เกี่ยวัไหมโยมก็ ม, มีโกาศไปถวายผ้าช่วงนี้ก็จะถวายผ้าอาบน้ำฝนนะ ทวายเทียนนะในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาก็เป็นช่วงกระถินก็ที่จริงก็มันก็ดีนะอนะเพอพระก็ได้อยู่จำพรรษาเพราะว่าแต่ก่อนก็คงสมัยก่อนก็คงมาว่าคงไม่มีเจ้าอาวาสนะคงไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสแบเป็นทางการนอะืมีวัดอยู่ทั่ว ชมภูทวบีดนะแต่ก็คงไม่ต้องแบบว่าหลวงพ่อนี่เป็นเจ้าวาต้องอยู่ประจำนะนะแต่าอนนี้ก็แต่งตั้งกันเป็นทางการก็การเป็นเจ้าวาต่อไปไหนไม่ค่อยได้นะแต่ก็คือนะความสะดวกแต่โยมเองก็อาศัยช่วงเข้าพรรษาเนาะลองอย่างพระมีการอธิษฐานเข้าพรรษาคืออธิษฐานว่าจะตั้งใจอยู่ในอาวาสเนี่ยนะ อสามเดือนนะ่ะไม่ออกไปที่ไหนนอกจากมีกิดห้าประการนะกิดที่จําเป็นห้าอยา่างก็สาตา์สุจรไปได้เราเองอาจจะไม่ได้อยู่นะในวัดเหมือนพระนะแต่โยมก็อธิษฐานเนะข้าพรรษานะที่จะทําอะไรที่เราคิดว่ามันทําได้ยากนะในช่วงที่เราเป็นช่นชวงปกติก็ได้นะอืมนะ จะรักษาสินห้าให้ดีที่สุดในช่วงเข้าพรษานี้นะหรือบางคนเนี่ยจะลองดูสินห้ามันเล็กน้อยไปนะลองไม่เล็กน้อยใช่ไหมสินหัวร้อน ล, <c oughs> ลองสินแปดที่ดูมันเข็มคนขึ้น น, นิดนึงนะเช่นไม่ทานข้าย็นไม่ฟังเพลงไม่ดูหนังไม่ต้องใส่น้ำหอ ง, อ, งอะไรมากมายเนะี่ย ก็เพื่ออะไรนะเป็นการฝึกบา ร, รมีนะอบา ร, รมีนะแปลว่าสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราสร้างะสะสมบา ร, รมีไม่ใช่สะสมเหมือนไม่ใช่สะสมชื่อเสียงเกีเยรติยศแบบนั้นเนาะบางคนภาษาไทยคนนี้มีบา ร, รมีมากก็ประมาณว่าเป็นคนมีอิทธิพลมากนะอ <c oughs> มีคนยอมรับมากเป็นคนใจคึกโตแต่บา ร, รมีในทางธรรมเนี่ย บาทีคนยากจนนะไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนมีบารมีมากก็มีนะเพราะ บ, บารมีคือการสะ ส, สมคุณงา ม, นะมความ ด, นกดกนีนะสะสมความอดทนอดกลั้นนะก็เป็นขันติบารมนะีมีความอดทนอดกลั้นได้สูงเนะี่ยคือคนที่มีคันติบารมีเป็นคนที่มีสัสจจะรักษาคำพูด ซื่อสัตย์ในคำพูดก็เรียกว่าสัจจบารมีนะไม่ไม่เกี่ยวนะบางคนเป็นคนใจคนโตไม่รักษาสัจจจักก็เรียกไม่มีบารมนะีเป็นคนที่โกรธง่ายนะ่ะชุนเชียวง่ายก็ไม่มีสันติบารมีนะบางคนมีปัญญาทาำโลกสูงเรียนจบด็อกเตอร์รู้เรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างดีแต่ไม่รู้เรื่องกายใจของตนเอง ก็ไม่ได้ว่ามีปัญญาว่าตมีนะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวนะถ้าโยบลองตั้งใจดูซินะคาว่าเนะ่ยตั้งใจเราจะทำอะไรดีนอนะตั้งใจจะทำอะไรดีในช่วงพรรษานี้อนะ่มันจะเป็นตัวตั้งต้นในชีวิตของเราต่อไปก็ได้นะนะการตั้งใจก็แปลว่าตั้งต้นนั่นแหละนะเหมือนเหมือนวิ่งเนาะสมัยก่อนนะมัต้อง เข้ารูปนะเตรียมเตรียมในรูปที่จะสตาร์ทนะถ้าใครตั้งตั้งดักดีนะเวลาสตาร์ทเวลาเสียงปืนนะมันยิงขึ้นมาก็ออกตัวได้ดีนะ <c oughs> ก็พุ่งไปได้เร็วนะมีโอกาสที่จะชนะคนที่ตั้งใจดีก็เช่นเดียวกันคนที่ตั้งใจดีก็มีโอกาสที่จะสําเร็จผลนะในชีวิตของเรามาว่าที่จริง ไม่ได้ปาฏิหาริย์ไม่ได้อะไรนะแต่เท่าที่สังเกตส่นใหญ่เดี๋ยวนี้ยคนเราได้ฟังธรรมะเยอะได้อ่านหนังสือธรมม ร, ธรมะเยอะได้ทาบุญเยอะแต่สิ่งที่ขาดจริงๆคือความตั้งใจที่จะทําให้มันตอเ น, นื่อะตั้งใจที่จะทําให้มันเรียกว่าให้สําเร็จผลให้มันได้จริงๆคือเรารู้เยอะเรารู้มากอแต่เราทําไม่ค่อยถึงที่สุด ทำแบบนิดๆนห น, น่อยทำแบบพอให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นอย่างไรนะเราศึกษาธรรมะก็เหมือนกันนะเราศึกษาเพียงแค่พอรู้ว่าสำนักนี้ก็สอนแบบไหนอ้อก็สอนดูลงหายใจเป็นแบบนี้เนาะก็อสอนดูทอ้ทองฟองอยู่เป็นแบบนี้เนาะกขอสอนยกมือ <ừ. S 1> เคลื่อนไหวเป็นแบบนี้เนาะ เขาสอนดูจิตเป็นแบบนี้เนาะก็สอนดูเวทนาเป็นแบบนี้เนาะเราไปรู้ในในการสอนของครูบาอาจารย์แต่ถามว่าถ้าเราทําจริงๆสักอย่างีหรือเปล่าบางทีเรารู้เยอะนะแต่ละที่ก็สอนอย่างไรแต่มาลักข่อให้ทําจริงๆสักอย่างหนึ่งเถอะมันจะเกิดผลเหมือนเป็ดนักมงอที คนส <laughs> uh ่วนใหญ่ก็เป็นเป็ดอามาเองก็เป็นเป็ดนะรู้เยอะรู้กว้างนะะประมาณว่ารู้นะแต่เราเชี่ยวชาญสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนาะเชี่ยวชาญในการนการทําสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านแต่ก่อนมันก็มักเป็นเป็ดต่อไปมันก็อยากจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันเชี่ยวชาญมากขึ้นแต่ก่อนมาเองก็อยากจะรู้เยอะนะอยากจะเรียน ก็ใจบิดตเยอะๆจะได้แตกชานอยาจะเรียนปริญญาทำพุทธศาสนาจะได้รู้เป็นแนวปัจจยาอธิบายได้ลึกซึ้งขึ้นอะไรนั่นก็แต่พอตนังก็ขี้เกียจขี้กเกียจเรียนเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันเยอะมันรู้เยอะเกินไปมันก็ก็เหนื่อยนะไปรู้รู้กว้างนะรู้เยอะ แต่มันเกิดประโยชน์อะไรนาะเอารู้ลึกดีกว่าไหม <c oughs> เอาแบบรู้ลึกซึ้งดีกวานะ่าเนะี่ยไม่ต้องรู้เยอะก็ได้ยมดแต่ขอให้มันรู้ลึกซึ้งนิดนึงรูนะ้ลึกซึ้งออกมาที่ไหนนะเพราะว่าหลักสูตรที่ผู้ช้างท่านสอนจริงๆเนะี่ยคือท่านสอนให้เรารู้ึซึ้งตรกมาที่ที่กายแล้วก็ที่ใจของเรานะนะ คำว่เ า, าเรียนรู้อย่างที่เราได้ตัวนะเรียนรู้เรื่องอริยสัจสี่นะคือความจริงอัะเริดสิ่งประการนะสิ่งแรกคือทุกข์หรือว่าความทุกขนะ์ท่านบอกให้เรากําหนดรู้นะก็คือให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้นั่นแหละกําหนดรู้ว่าทุกข์นะทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนนะ ทุกก็ทุกทก็คือเรื่องของกายเรื่องของใจนะไม่ใช่เรื่องของอื่นกายเลยนะนะไม่ใช่เพราะว่าฝนตกเราได้ทุกแดดทอดเราแดดทอดเราก็ทุกนะ <c oughs> คนญาติใกลตัวของเราเสียเราก็ทุกอันนั้นมันไม่ใช่ทุกจริงๆคือทุกที่เกิดขึ้นกับกายทุกที่เกิดขึ้นกับใจถ้าคนที่ฉลาดจะกลับมาเห็น ที่จริงความทุกข์มันเป็นเรื่องของการของใจนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะเหมือนถ้าเราไม้ไปแย่หมาเนาะหมามันไม่พอใจที่ไม้ไม่แย่มันตัดอะไรตัดไม้แต่ถ้าสมมติอมเอาไม้ไปแย่เสือล่ะมันจะตัดอะไรเน <c oughs> กาเนกาแย่เนะพราะเสือมัน ผมไม่กัดไม้หน่อยว่ามันจะกัดเรียกเลยแล้วก็มากัดคนที่แย่แล้วใช่ไหอืมใช่ไห ม, ม, ไหมถ้าคนที่ฉลาดก็จะเป็นเหมือนเสื อ, อมองไปถึงต้นเหตุของทุกข์ทุกข์มันเกิดขึ้นนะเรากําหนดรู้แล้วศึกษารู้แล้วแต่เหตุของทุกข์คือความอยากมันจะมาได้งานที่ตัวความอยากความอยากนี่คือความทุกข์ ไม่ว่าจะอยากหรืออยากจะไม่อยากก็ต้องอยากเหมือนกันนะครับว่าไม่อยากก็ที่จริงถ้าจะลงเล็บตอนแรกก็คืออยากที่จะไม่อยากไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีไม่อยากจะเป็นอะไรนะั้นก็คือสรุปแล้วคือความอยากแล้วก็ความไม่อยากเนี่ยแหละคือเหตุให้เกิดทุกข์เนาะใช่ไหมมีอาหารขึ้นมาเราอยากเราไม่อยากมันก็คือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ ทุกทางกายมันก็ต้องบำบัดนะโดยธรรมชาติเนาะเหมือนเราป่วยโยครคภัยไข้เจ็บนะถ้าคนธรรมดาเราก็อยากจ ะ, กจะหวนะังอยากจะหายเนาะคนธรรมดาหวังอยากจะหายแต่คนธรรมดายิ่งกว่าไม่อยากไม่อยากจะเรียกว่าคนพิเศษคนคนอะไรนะหมายว่าคนที่ธรรมดายิ่งกว่าคืออะไร คนที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของชีวิตนะ่จะมองเป็นสองนัยยะก็คอือว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้มันจะมีทางที่มันเผื่อใจที่มันเปิดกว้างกว่ามาว่าเนี่ยคนที่เข้าถึงความเป็นธรรมดาของชีวิตนะ่จะมองว่าเช่นป่วยรักษาหายก็เอาไม่หายก็เอา มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ถ้าคนปอดุชนธรรมดาเนี่ยมันต้องหายมันต้องดีมันต้องกลับมาเป็นปกติมันจะเหลือแค่ทางเดียวถ้าได้ทางนี้ถึงจะพอใจถึงี่มีความสุขถ้าไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการก็ตายเป็นทุกข์นะมันก็เลยทุกข์ง่ายแต่คนที่เข้าใจความเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยหายก็ได้ไม่หายก็ได้อยู่ก็ได้ ตายก็ได้เหมือนเรานะทำงานนี้ก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเรียกว่าไม่ใช่เรื่องคอ ข, อขาดบาดตายในสถานนั้นแต่เพราะมันมีตัวตนมันมีความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมันก็เลยกลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไระเป็นทุกข์เพราะมันมีสถานะแล้วเราก็ไปยึดในสถานะนั้น เป็นแม่เป็นพ่อเนาะเวลาเขาว่าลูกเราเช่นไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนาะเขาว่าเขาว่าใครเขาว่ากรูดูไม่สั่งสอนเพราะลูกก็ไปเองนะวีเนี่ยใช่ไหมที่จริงเราก็เราก็รู้ตัวอยู่แล้วเราสอนลูกอยู่แล้วนี่เขาว่าพระท่านว่าครูท่านว่ า, า, วาหรือใครว่าเขาว่าไม่ถูก ท, ทัก้งนั้นทาไมเราไปลุกเนาะ เพราะว่าเรามีความยึดมั่นว่าอันนี้รูปของเราอันนี้คือเราคือเขาว่าเรามาอีกนะแต่จริงเขาว่าเขาว่าถูกสมวนสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนนะเออเขายังทับเด็กยังทําไม่ดีจริงๆะก็ดีเราจะได้สอนต่อหรือเขาเข้าใจผิดนะก็ไม่เป็นไรเขาเข้าใจผิดนะเพราะเราไปยึดนะไปยึดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเราเนาะ หรือเวลาคนวิจารณ์งานบางทีไม่มใช่รู้สึกว่าวิจารณ์งานนะมันรู้สึกวิาจารณ์เราเนะีเราที่รับผิดชอบงานนี้นะกลายเป็นเราที่ถูกกระทบขึ้นมาเพราะการมีตัวตนนี่แหละมันคือความพุ่งขึ้นในโลกนี้แต่เมื่อบานทะุกคูน่ะว่าที่จริงการมีตัวเนะี่ยมันมันถูกแล้วตัวเนะี่ยแต่ทํางในสิงทีไม่มีตน ถ้าไปยึดในในตรงนั้นอเหมือนเรามีตัวเปอเนียนะล้วก็เพียงแค่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโลกเหมือนหนังภาษาที่คนทั่วไปเขาใช้เช่นสว่วนหัโขนเนาะอ่าสว่วนหัโขนเป็นบทบาทหน้าที่ต่างๆถ้าเราไปดูเขาแสดงโขนนักแสดงโขนพอลงจากเวทีแล้วก็ยังสว่วนหวโขนเป็นหานุมาลเป็นพระรามเป็นอะไรอยู่เนะี่ยไปเดินมันท้องถนนด้วยเนะี่ย จะเป็นยังไอืมก็ดูตลกใช่ไหมอืมเหมือนบางคนนะเป็นตำรวจเป็นทหารไปร้านอาหารก็ยังเบ่งอยู่เนะี่ยก็ยังเฤทธิ์ส่วนของโผล่ไม่เลิกใช่ไหมอืมออก็ไม่ใช่ว่าใครหลับเป็นพระเองก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่จะเป็นตลอดเวลานะออพูดตรงๆว่าเป็นตอนทำพธิธีกรรมรับญาติโยมนะอรับสไหวสังฆทานนั่นนี่ แต่จริงความเป็นพาร์ทจริงๆมันก็เป็นสมมุติอที่จริงโดยทั่วไปที่จริงที่เราเป็นเหมือนกันก็นกคือเป็นเป็นสัตว์ที่มีรูปมีนามเท่ากันอโดยสถานะอะไรก็แล้วแต่เรามีรูปมีนามเหมือนกันเรามีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับรูปมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนามเหมือนกันอถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะทุกคนก็ ไม่ต่างกันกันกบเราเราก็ไม่ต่างกับทุกคนแต่คราวนี้ถ้าเราเข้าใจว่าวิธีการใดที่จะทําให้ทุกของรูปทุกของน้ำมันน้อยลงหรือหมดไปได้เพราะเนี้ยคือผู้ที่ได้ว่าเข้าใจธรรมะคือตรงนี้ผู้ที่เข้าใจธรรมะตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพระหรือเป็นไม่คีหรือเป็นญาติโยมมันเกี่ยวที่ว่าเรา เข้าใจเรื่องของทุกข์อย่างแจ่มแจ้งไหมนะนะทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเรารู้ทันไหมทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเรารู้ทันไหมตัวที่ทําให้รู้ทันก็คือการมีสตินะมีสติรู้ตัวนะฮะรู้นะเมื่อเกิดการรู้นะมันจะเกิดการเข้าใจนะคือคําว่ารู้เนะี่ยไม่ใช่รู้โดยคิดนะ แต่เป็นการรู้โดยความรู้สึกนะไม่ใช่คิดรู้แต่รู้สึกรู้นะแต่นั้นนะรู้สึกนะรู้สึกไหมเห็นไหรู้สึกรู้หลยรู้สึกตัวรู้สึกรู้ว่ากำลังนั่งรู้สึกรู้ว่ากําลังหายใจอนะแต่ไม่ต้องไปเติมก็ได้ว่านั่งหรือหายใจแค่รู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกถึงการมีอยู่ของตัวนะในแต่ละขณะ รู <c oughs> ้สึกนรู้สึกตรเนี้มันไม่ต้องคิดนะมันบางทีคนเข้าใจว่าการวิปัสสนาการพิจารณาคือการต้องคิดเนาะคิดวิเคราะห์แต่จริงวิปัสสนาจริงคือการเห็น <c oughs> เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนี่คือวิปัสสนาไม่ใช่การคิดให้เข้าใจความจริงนะนั้นเราเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งเห็นที่ไหน ความจริงจะแจ่มแจ้งต้องเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน <c oughs> ความจริงที่เป็นอดีตเนี่ยมันจะไม่ค่อยแจ่มแจ้งล้ะมันเหมือนคล้ายๆพอเราไปคิดถึงอดีตเนาะคิดถึงเรื่องราวในอดีตน่ะมันจะค่อยๆทํานานไปมันค่อยๆมันจะค่อยๆอ้าค่อยๆมัวจํารายละเอียดไม่ค่อยได้ละอ่ามันจะมันจะเดือนรานไปเยอะแหละหรือถ้าเราไปคิดถึงความจริงในอนาคตเนี่ย มันยิ่งเป็นมายาแล้วนะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะเราไปวาดภาพไว้มันเหมือนจะ ด, ดูเป็นสีฐานแต่มันก็ไม่ใช่ความจริงดังนั้นความจริงที่แจ่มแจ้งจริงคือความจริงที่เกิดในขณะนี้นี่ก็คือเสียงที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในินะมันก็ใช่ไหมความนี้ก็เป็นความจริงในขณะเมื่อสักครู่ เสียงที่เกิดขึ้นก็เป็นความจริงขนาดคือเร้ง่ายๆก็คือเรารู้ผัสสะที่กระทบะผัะที่กระทบทางตาลูกที่เห็นเสียงที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิ่นดนที่สัมผัสกับอาหารรสชาติต่างๆกายที่สัมผัสกับความรู้สึกต่างๆหรือใจที่มัน มีอารมณ์หรือมีความคิดเนี่ยคือมันแจ่มตรงนี้นะแจ่มไหม <c oughs> รู้สึกตัวชัดไหมเนี่ยก็ดูตรงไปบ่อยๆนะดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วต่อไปมันจะเห็นความรู้สึกที่มันดับไปอะไรก็เหมือนกันนะมันเกิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ตลอดนะมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับนะ เราดูนะไปมันจะเห็นเมื่อสติเราชัดเจนมากขึ้นมันจะมีเรียกว่าจะเห็นช่องว่างของการสืบต่อของอารมณ์ต่างๆมันมีรู้เป็นครั้งเป็นขณะแต่มันก็จะมีช่องว่างในการรู้ทีละขณะมันไม่ใช่เป็นการรู้ตลอดเวลาแบบไม่มีช่องว่างในการแทรกแต่มันจะเป็นการรู้ที่มันถีบ่บ่อย หลงจะสั้นลงรู้จะมากขึ้นนะเราเพียงแค่กำหนดรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่อนะขณะให้แขมแช่โดยกรรมฐานแบบไหนได้หมด <c oughs> ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องในการรู้กายรู้ใจนะไม่ใช่ไปรู้นิมิตแสงสีข้างนอกอันนั้นก็อาจจะเป็นกรรมฐานเพื่อเพื่อสมถะนะเพื่อสมาธิอาจจะพอได้ แต่กรรมาฐานที่จะเกิดวิปัตนาต้องเป็นกรรมาฐานในการรู้กายรู้ใจนะจะแย่ลงแน่ น, นะคือถ้าเราเปมีสมาธิจากข้างนอกมันก็ได้ความสงบได้ความตั้งมั่นในการงานนะแต่ถ้าจะเกิดกันปัญญาเนี่ยต้องเป็นการรู้รู้กายรู้ใจเพราะว่าอะไรเพราะมันจะทำให้ย้อนกลับมาเห็น <c oughs> เห็นความจริงว่ากายหรือใจมันก็แสดงความไม่เที่ยง <c oughs> คำว่าเกิดตับที่จริงก็มันไม่เทีย่ยงคำว่ามันเป็นทุกข์นะทุกข์คือทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ใช่ไหมนั่งเนี่ยจะนั่งตัวแข็งเหมือนขอโทษนะเหมือนทวรตัู ก, ก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะเป็นมนุษย์นะมันก็ต้องหายใจก็ต้องกระดุกกระดิกนั่งให้จิตนิ่งเลยก็ไม่ได้นะแต่บางคนพอคิดถึง ปฏิบัติทำแล้วต้องทำให้มันนิ่งมันไม่ได้นะเหมือนเราจับเด็กคนหนึ่งไปตั้งไว้เราบอกอยู่นิ่งๆน ะ, ะถ้าเราอยากให้มันนิ่งจริงๆต้องทำให้มันตายถึยงจะนิ่งแต่เราก็ไม่อยากตายใช่ไหมนั้นที่จริงจิตมันก็ไม่นิ่งแต่การไม่นิ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะต้องมองแบบนี้นะการไม่นิ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า เราเพียงแค่รู้เฉยๆคำว่ามัคเนะี่ยคือการเจริญนะเจริญสตินะเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันจะเป็นองค์มัคนะเรามีศีลก็คือยั้งคำพูดยั้งการกระทำที่มันไปทำให้ตนเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อน เราฝึกสมาธิให้มากขึ้นสมาธิไม่ใช่ความสงบแต่สมาธิคือความตั้งมั่นคือความมั่นคงไม่หวั่นไหวปัญญาคืออะไรเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเข้าใจความจริงของรูปเข้าใจความจริงของนามความจริงของรูปคืออะไรรูปมันเป็นทุกข์รูปไม่ใช่มันเป็นสุขนะต้องเข้าใจรูปมันเป็นทุกข์ มันมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยทุกน้น้อยก็มานั่งตรงนี้ได้ทุกมากๆก็ไป น, นอนที่โรงบรมนู่นะอันนี้คือก็เห็นตรงนี้นะมันก็มีแต่ความเป็นทุกนะจะหายัางอื่นนอกจากทุกในรูปไม่มีเลยจริงๆนะจะหาความสุขความสบายไม่มีความสบายที่ที่ยงแท้เราว่าเราหายใจเข้ามันสบายก็ถูก แต่มันจะให้สบายตลอดได้ไหมลองหายใจเข้าลึกๆนะสบายนะแต่ยิ่งเข้าหรือไปเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สบายละอืตอนถอนหายใจอย่างมันสบายถอนไปถอนไปจนหมดนะเหนื่อยและแม้ <c oughs> มันกินอะไรเข้าไปนะมันสบายมันอิ่มนะพอเตินอิ่มไปก็ไม่สบายแล้วไม่มีอะไรที่มันสบายที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะ อันนี้คือความเป็นทุกข์มันอยู่ในอาการเดินไม่ได้นะแล้วสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นโยงนะคำว่ามันบังคับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะร่างกายมันก็บังคับไม่ได้จิตใจมันก็บังคับไม่ได้นั้นเราฝึกปฏิบัติธรรมเราไม่ฝึกเพื่อบังคับจิตนะฝึกเพื่อควบคุมจิตฝึกเพื่อ ทำให้มันสงบอย่างเดียวทำให้มันสบายทำให้มันไม่คิดไม่ใช่การปฏิบัติธรรมจริงไม่ใช่การบังคับแต่เพียงแค่การรู้แล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันรู้แล้วไม่หลงว่าอันนี้คือร่างกายของเราจิตใจของเราความคิดของเราอารมณ์ของเราไม่ได้หลงไปเป็นแบบนั้นนะฝึกแบบนี้นนะฝึกแยก นะแยกเป็นผู้ดนะูอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะดูทุกอย่าง <c oughs> เรียกว่าอาจจะดูแบบถ้าใช้ภาษาแบบแบบหน้าด้านนิดนึงนะแบบหน้าด้านดูไปเรื่อยลนะ่ะ <c oughs> คือคล้ายๆแบบมันจะดีไม่ดีนะก็หน้าด้านดูไปเรื่อยนะดูแบบตะพื้นตะคือไปนะหรือถ้าพูดแบบภาษาเท่ๆเนี่ยก็เรียกว่าก็าแค่ดูนะ แค่รู้ไปนะก็ได้นะคือความสํานัญคือความมีสมาธิมีสติในการตั้งใจใดูอะไรจะเกิดขึ้นมาดูไปหมดนะแต่ถ้าเราไม่มีตัวมั่นคงในการดูเนะี่ยมันจะต้องมันจะรู้สึกต้องไปจัดการนะเพราะอันนี้มันชอบอันนี้มันไม่ชอบมันจะเข้าไปจัดการแล้วยิ่งจัดการมากก็ยิ่งเหนื่อย ทำไมมันไม่สงบเนี่ยต้องไปจัดการให้มันสงบแล้วทำไมมันโกรธต้องไปจัดการให้มันหายโกรธทาไมมันง่วงต้องไปจัดการให้มันหายง่วงนะรู้สึกไหมแต่จริงถ้าเราดูเฉยๆนะโกรธก็ปล่อยมันโกรธคิดก็ปล่อยมันคิดนะง่วงก็ปล่อยมันง่วงนะเราจะปล่อยแบบไหนล่ะ มันปล่อยไม่เป็นนะมันอยากเยิด น, นะปล่อยในยการปล่อยให้มันเกิดของมันเองแต่หน้าที่เราก็มากำหนดรู้กับสิ่งที่เรากำลังตั้งใจทำนะเราตั้งใจทำอะไรอยู่นะเราเดินก็กลับมาตั้งใจรู้ตัวในการเดินเรายกมือแล้วก็กลับมากำหนดรู้ในการยกมือเราหายใจก็กลับมากำหนดรู้กับการหายใจก็ได้ ปล่อยให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันเองประมาณว่าเช่นประมาณว่าอืมเรานั่งอยู่ตรงนี้เนาะสมมติมีมีกระดาษอยู่กองหนึ่งแล้วก็ไฟมันไหม้ที่จริงทําจริงๆนะเราก็นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละก็ไฟใใไมันจะไหม้กระดาษก็ก็ปล่อยมันไหม้ไปยิงนะ พอมันไหมหมดมันก็ดับมันก็มันก็ดับของมันเองก็เพียงแค่เราให้เรานั่งอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ไปใกล้ความร้อนตรงนั้นนะเราแค่ดูไปมันไหมกระดาษเมื่อมันเกิดขึ้นการไหมขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันก็หมดมันมันก็จบเลยแต่บางทีเราพอเห็นไฟมันไหมเราคิดว่ากระดานนั้นมันเป็นของของเราอื เพรใจเรา ม, ม, ม, มันไมใ่ไหมอ่าคิดว่ากระดาษนั้นเป็นของของเราเราต้องไปจัดการนั่นนี่แต่เราถ้าเราจัดการอย่างขาดสติก็ประมาณว่ามีกระดาษอยู่ในมือก็เปตกตกตกต ก, ตกแต่ตกไปกะกระดาษตรงนี้มันก็ติดเชื้อไฟก็กลายเป็นไฟที่ไม่กองใหญ่ขึ้นเหมือนเวลาเราโกรธถ้าเราก็ไปโกรธตัวเองที่มันโกรธน่ะมันก็ยิ่ง โกรธหนักขึ้นหรือว่าทุกข์มากขึ้นเนี่ยเหมือนเราเอาเอาเชื้อเข้าไปเอากระดาษไปก็ดีหรือว่าเราไม่รู้ตัวนะดาดน้ำมันเข้าไปนะมันก็ยิ่งไหมใหญ่ขึ้นนะไหมใหญ่ขึ้นแต่บางคนเก่งก็นั้นทั้งนั้นนะเอาน้าไปดับไปเอาน้ำไปดับไ ป, เ, ไ ป, บไปเปียบเหมือนกับอะไร ประมาณว่าแต่กินน้ำมันไม่มากพอหรอกนะพอน้ำไปดับไปก็เหมือนพยายามแผ่เมตตานะทำคิดแง่บวกนะแต่ตอนคิดมันก็ดูเหมือนจะเจนขึ้นนะแต่พอเลิกคิดก็เอาอีกลละวนะแผ่เมตตาตอนมีเมตตามันก็ดูดีนะแต่มันก็ไม่ได้มีเมตตาตลอดใช่ไหมการคิดในแง่บวกหรือว่าทำกุศลเพื่อไปล้างอาเกศล มันก็ดีนะมันเหมือนน้าที่ไปดับไปแต่ถ้าน้ําเราไม่แดงพอไม่มากพอมันก็ดับไม่ได้มันก็เพียงแค่ทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นชัวน่วขณะเห็นขึ้นชัวน่วขณะอันนี้แบบที่สองแบบที่สามนี่เอาดินเอาดินไปกบะไปไม่ไหมเอาดินไปกบไฟมันก็ดับนะแต่ความร้อนอยู่ในดินที่กบ ก, ก, ก็ยังมีเยอะ เหมือนกับคนที่ทําสมาธิได้ก็เข้าไปอยู่ในฌานก็ไปอยู่ในความสงบระงับความโกรธระงับกิเลสได้แต่ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดไม่ใช่ความโกรธหมดนะมันเหมือนดินที่กบเท่าฐานไว้นะ่ะมันก็ยังเป็นเชื้ออยู่ข้างใน น, นี้คือสมาธิแต่ถ้าทำวิปัสสนานเนี่ยอยที่มาพูดตามแรกนั่งดูไฟมันไม่จะไปอยู่กับมันดูเฉย เน่ความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แล้สักพักมันก็จะหายไปเมื่อเราเริไปเร่งมันนะมันจะดับไปพอไฟมันไม่กะดับหมดนะมันไม่มีกระดาษที่ไหม้อยู่แล้ว่ะมันก็ไม่ไม่มีไฟกองอีกที่สองต่อไปมันไม่ต้องไปทําอะไรละบ่อยที่มันไหม้จนหมดนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยที่จริงพอเอาความเป็นคนดีก็ดีเอาความเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ดีบางที เรามักไปจัดการมันให้มันดีแล้วมันก็เลยแบบหรือบางทีบางคนเช่นมีความเสียใจขึ้นมาเนะเสียใจเช่นลูกตายพ่อแม่ตายบงทีเราก็เอาธรรมะไปข่มมากเกินไปนะมันเป็นเรื่องธรรมะได้ไม่ต้องไปเสียใจเดี๋ยวเราเสียฟอร์มเลยนะนักปฏิบัติธรรมนะก็ไปเอาอะไรมันข่มไ้มันข่มมันก็เหมือนบางทีก็เอา เหมือนเอาน้ำไปสะอาดไว้ให so ้มันเย็นหรือบางทีก็เอาดินไปกบไว้แต่จริงวิธีที่ดีสุดนะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันไปเรื่อยยอมรับมันทุกอย่างเสียใจก็รู้ว่าเสียใจโกรธก็รู้ว่าโกรธอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นจริงอะแต่มันจะรู้ไปแล้วมันจะเหมือนไล้ายปล่อยให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิขึ้นจนมันหมด บมดแรงใช่เคยเห็นเวลาเขาสอนเวลาจับช้างจับมา้าจับสัตป่ามาฝึกเขาทำไงตอนแรกมัดมันไว้ก่อนถังมันไว้ก่อนปล่อยให้มันดิ้นเต็มที่ปล่อยให้มันแสดงไี่เต็มที่พอมันบมดแรงครั้งนี้ค่อยสอนไปสอนแต่ตอนที่มันแรงเนี่ยมันสอนไม่ได้นะเขาให้มันแสดงไี่เต็มที่นะมัดไว้ถังไว้ ทำอะไรไม่ได้เนี่ยปล่อยมันแสดงเต็มที่พอมันหมดแรงเราค่อยไปฝึกค่อยไปสอนจิตก็เหมือนกันนะอ่าจิตทางฝึกจิตที่ดีเนี่ยปล่อยให้มันเกิดเลยอะไรจะเกิดปล่อยมันปล่อยมันหมดจะไปโกะไว้่าไปโผงไว้ปล่อ ย, ม, อ ย, ย, อยมันแสดงเลยพอมันหมดพอมันหมดกําลังเนี่ยถ้าจะเห็นความจริงว่ามันจะฝึกง่ายอ่า ม, มันจะฝึกง่าย โกรธเราก็ไม่ต้องไปรีบห้ามความโกรธนะคิดก็ไม่ต้องไปรีบห้ามความคิดนะอิจฉาพยาบาทถ้าเกรแ็แล้วแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปห้ามมันปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูมันนะดูมันนะแต่ไม่ใช่ดูแบบดุนนะดุนว่าเมื่อไหร่มันจะดับเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนไม่ใช่อูแบบนั้นดูแบบดูเฉยๆเลยอนะไม่ต้องดูแบบดุนอะไรดู ถ้าจิตมันจะดูแบบเฉยๆได้มันต้องมีที่ตั้งกันหน่อยนะก็คือเนะ่เรามาดูกับกรรมาฐานที่เราทำมันจะเห็นเองนะอ๋อเนี่ยลายเคลื่อนแต่ใจก็ไปคิดกี่รับนะล้วก็กลับมาหยุด ก, การเคลื่อนไหวใหม่นะมันจะเห็นนะจิตจะเป็นจิตจะมีกำลังเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นมันนะมันจะมันจะปลอดภัยนะนะเราฝึกตรนนี้นะฝึก ให้เป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยๆดูกายก็ดูเฉยๆดูรู้สึกตัวให้มันทั่วคอมนะอย่าไปดูจ้องแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ดูเหมือนดูแบบรวมรวมดูรวมรดูกายเขาทํางานมีใจเป็นเพียงแค่ผู้ดูสังเกตไปเรื่อยนะดูเป็นครั้งเป็นขณะเช่นการเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งขณะการกระทบก็เป็นหนึ่งขณะนะ ความปวดเมื่อยต่างๆก็เป็นเพียงแค่นหนึ่งขณะก็ดูมนไปเรื่อยๆ <c oughs> ไม่มีอะไรมากเกอะดูถ้าเราดูไปเรื่อยมันจะเห็นว่ากลายเป็นเพียงแค่เหมือนก้อนท่าเหมือนวัตถุเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแค่รูปอย่างใน อ, อย่างหนึ่งมันจะรู้สึกต่อไปมันจะแย่แต่เขารูปมันเป็นแบบนี้เนาะรูปมันก็เป็นตัดแต่ว่ารูปนะใจเป็นผู้ดูเฉยๆนะมันจะอยู่ มันอยู่ด้วยกันแต่มันอยู่คนละส่วนกันนะมันรู้อยู่ด้วยกันนะแต่มันคนละส่วนกันมันเรารู้เลยว่าเรานั่งอยู่ในรถเนะี่ยเรากับรถมันเป็นคนอันกันแต่มันอยู่ด้วยกันนะถ้าเราไม่สตาร์ทรถถ้าเราไม่เหยียบคันเท่งรถมันก็ไม่ไปเราเป็นคนขับรถเนะี่ยคือคือใจนะใจเป็นผู้ที่เออ่ควบคุมรถรถ เพียแค่สนองอคนที่ขับรถเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าใจเราคิดดีรถก็ไปในทางที่ดีใจคิดไม่ดีรถก็ไปในทางที่ไม่ดีก็คือใจมันดีมันก็พากายทำดีใจมันไม่ดีก็พากายไปทำไม่ดีพูดไม่ดีนี่ที่จริงตัวจริงไอ้ตัวสำคัญกว่าไม่ใช่รถไอ้ตัวสำคัญจริงคือใจ เพราะนั้นเวลาที่จริงร่างกายนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยยอมรับมันไปตามสภาพประโยชน์นะไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่ดีแล้วจิตเราจะต้องแย่ร่างกายดีจิตเราจะดีไม่ใช่นะมีได้ฟังอาจารย์กมพลพูดนะบอกแต่ก่อนอาจารย์กมพลเนี่ยเชื่อนะเชื่อพระดังเขาพูดประมาณว่า จิตใจที่ดีนะต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงแต่พอร่างกายไม่แข็งแรงเนะี่ยมันก็หมดติดจิตใจที่จะดีได้เลยใช่ไหมแต่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนั้นนะจิตใจที่ดีอยู่ที่ผู้ที่ฝึกดีคือการฝึกจิตที่ดีนะถึงจะมีความสุขนะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายไอ้มาไปเยี่ยมคนป่วยหลายคนนะ บางคนป่วยหนักบางคนป่วยไม่หนักมากแต่บางคนป่วยหนักแต่ยิ้มได้ตาเป็นประกายเนี่ยเยอะบางคนป่วยไม่มากแต่ตาเศร้ามองจิตใจทุกเนี่ยก็เยอ ะ, อะมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายโดยตรงนะแต่เกี่ยวกับใจที่ฝึก ด, ดีแลนะ้วหรือเปล่าการสุกใจก็คือเนี่ยการรู้เข้าใจยอมรับแล้วก็วางได้ มันจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันจะเห็นว่าอ๋อกายมันเป็นเพียงแค่อาการของมันเป็นอาการของกายนะยืนเดินนั่งนอนอาการของกายเจ็บปวดเมื่อยหิวนะ่ะเป็นอาการของกายใจเราเมื่อมันเห็นเฉยๆมันจะไม่เป็นตังเกตฑ์ไหมถ้าเราดูเฉยๆนะ่ะใจมันจะปกติ ปกตินึ่งเทียก็เรียกว่าใจมันนิ่งก็ได้ใจมันสงบก็ไดนะ้การทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบไม่ใช่เป็นการกระทําให้มนใจมันนิ่งเองนะแต่ความสงบความนิ่งมันเป็นผลจากการดูเฉยๆมันเป็นผลนะเหตุคือการดูเหตุคือการเห็นไม่ไปเป็นกับมัน เกิดผลคือความสะดวกคือความนิ่งคือความเป็นปกตินั้นเราไม่ได้ทําใจให้นิ่งแต่เราดูมันใจจะนิ่งอันเนี้ยฝึกไปได้ไปไว้แล้วต่อไปมันจะเห็นว่าใจบางทีก็ไม่นิ่งตลอดหรอกบางทีก็คิดบางทีก็อยากไปดูอยากไปฟังหรือบางทีก็คิดนั่นคิดนี่เราจะเห็นอีกใจหนึ่งว่าโอใจบังคับไม่ได้ เดี๋มันก็แวบไปคิดเดี๋ยวก็แวบไปมีอารมณ์เดี๋วก็แวบไปอยากนะเรียกว่าใจมันไหลแล้วเราจะเห็นใจที่มันไหลใจที่มันไหลนะดีกว่าเรือไฟที่มันไหลนะแล้วใจที่มันไหลเนี่ยเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงต่างไหลเป็เร็วมากแต่ไหลไปถ้ามีสติก็กลับมาได้เร็วเหมือนกันนะมันจะเห็นแบบ ไปมาไปมาะมีแการไปการมาของอารมณ์ตา่างๆพอเห็นบ่อยๆนะมันจะเห็นว่านี่แหละใจมันก็บังคับไม่ได้แต่ก่อนเราไปบังคับจิตใจไปทุบเพราะจิตใจเนะี่ยแต่พอเห็นจริงๆมันจะแยกได้อ๋อใจที่คิดก็ส่วนหนึ่งใจที่โกรธโลภโกร่งก็ส่วนหนึ่งเรามีสติเพียเพียงแค่ผู้เห็นใจ เขาไหวเห็นใจนถ้าจะว่าจริงนะไม่ใช่ไปเห็นใจคนอื่นนะเห็นใจตัวเองเคยเห็นใจตัวเองไหมนะไม่ใช่ไปเห็นใจคนอื่นไปสงสารคนอื่นนั้นนี่นะก็สงสารได้แต่เราเห็นใจตัวเองไหมว่าใจตอนนี้ยกําลังสุขใจตอนนี้กําลังทุกข์ใจตอนนี้กําลังเฉยใจตอนนี้กําลังโกรธใจตัวนี้กําลังโรคใจตอนนี้กําลังหลใจตัวนี้กําลังฟุ้งซ่านนะ ใจตัวนี้กําลังชอบใจตัวนี้กำลังไม่ชอบเนี่ยคือมีสติดูเวทนาดูจิตดูธรรมมาพูดตัวเลยนะก็คือใจทั้งนั้นเลยมีสติเป็นเพียงแค่ผู้ ด, ดูเมื่อเราดูแล้วเราจะเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆมันไม่เที่ยงอารมณ์ต่างๆมันเป็นทุกข์อารมณ์ต่างๆมันล้วนไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องไปบังคับมันเพราะมันจะแสดงความจริงทุกอย่างเหมือนกันคือเกิด แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันมีแต่สภาวะเกิดดับตรงนั้นเมื่อเราเห็นเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามนะเราเป็นเพียงแค่ดู่เฉยๆนะความทุกข์มันจะเข้าไม่ถึงใจคำ <c oughs> ว่าตกลงทุกข์มันยังมีนะกิเลสมันก็ยังมีนะแต่พีจารว่ามันเข้าไม่ถึงเข้า <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงคืออะไรนะเช่นมสมมติเรานั่งอยู่ในรถ เปิดแอร์อยู่เนะี่ยความร้อนข้างนอกก็มีแต่มันเข้าไม่ถึงตัวเพราะว่าเรามีแอร์เป็นตัวป้องกันนะความร้อนนะี่ฝนตกนะี่ยเราอยู่ในอาคารฝนตกไม่ถึงตัวมันตกรอบๆข้งนอกเพราะว่าอะไรเรามีเรามีศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองกายวิญาใจให้เป็นปกติอยู่อันนี้คือมันจะเข้าไม่ถึงหรือมาชอบที่สูงท่กลมเขียนนั้นเปรียบเทียบว่า เหมือนเรานั่งอยู่ในมุงยุงมันบินตอมเนี่ยมันก็สะใจอย่างนะ้ยุงมันกัดไม่ได้มันตอมนะได้ยินเสียงอยู่ได้เห็นตัวมันอยู่แต่มันกัดเนื้อกัดตัวดูดเลือดเราไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะความคิดมันก็มีแต่มันไม่ทุกข์ความโกรธมันก็มีนะแต่มันไม่โกรธแล้วก็ไม่โกรธความอยากก็มี แต่ไม่ต้องไปนสนองก็ได้ก็ไม่ต้องไปอยากให้มันหายก็ได้มันจะรู้สึกแบบนี้เลยมันมันจะเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นตัวเราเองก็มีโรคปวดหลงคนอื่นก็มีโรคกวดหลงแต่ที่ไปเป็นเพราะว่าเราถูกเขาครอบงำหรือไปตามเขาแต่จริงถ้าเราเห็นจริงจริงน่ะมันจะเห็นว่าอารมณ์ต่างๆ่าน่ยมันเพียงแค่สิ่งมันยั่วยวน <c oughs> สิ่งมาทดสอบสิ่งมารบ ก, กวนแต่มารบกวนไม่ได้ย่อโยนไม่ได้อทําให้เราค่อยเคลียรไม่ได้ถ้าเรามั่นคงเะมันเห็นจริงทุกสุขเนี่ยะทุกหรือไม่ทุกเนี่ยอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นเลยถ้าเรากลับมามีสตินะแปบ๊บเดียวนะก็กลับไปปกติได้นะพยายามกลับไปบ่อยนั้นที่จริง การฝึกจริงๆคือการฝึกให้กลับมานะกลับมามีสติรู้ตัวเมื่อกลับมามีสติรู้ตัวมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะมันแปเ๊เดียวนะกลับมามีสติเนะี่ยปุ๊บไม่ทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสติตลอดเวลาได้นะเดี๋ยวมันก็กลับไปทุกข์กลับไปหลงหนะ้าที่เราค่ะรู้ว่าหลงแล้วก็ไม่เป็นไรกลับมามีสติใหมนะ่เรียก ว, ว่าฝึกฝึกกลับมามีสติบ่อยๆ ฝึกกับมามีสติบ่อยๆนะฝึกกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆฝึกมาเป็นผู้ดูอารณ์ดูร่างกายบ่อยๆนะเนี่ยฝึกแบบนี้การฝึกเนี่ยคือการสะสมนะสะสมบารมีก็ได้สะสมสะสมอินรีก็ได้นะคำว่าอินรีคือความความแก่งกล้าความนะความกล้าหาญนะของนะจิตใจนะสะสมไปเรื่อยเหมือนออกกำลังไปเรื่อย ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเองนี่คือสะสมไปเรื่อยเนาะนี่ฝึกฝึกไปบ่อยฝึกไปเรื่อยจนมันชํานาญชนานาญในการที่กลับมารู้สึกตัวถ้าชนานาญแล้วจริงพอถึงจุดหนึ่งมันจะตัดได้เลยนะอติ่งแรกที่มาว่าตัดได้คือความสงสัยแต่ก่อนเราสงสัยก็ทําไปแล้วมันจะมันจะ ได้ผลจริงแล้วอะไรประมาณนะนี่ยสงสัยว่าเราทําถูกหรือทําไม่ถูกนะมันจะมั่นใจได้มันจะตัดความสงสัยไม่ลังเลไม่สงสัยในการปฏิบัติธรรมไม่ลังเลสงสัยในคําสอนพระพุทธเจ้ารวมทั้งไม่สงสัยในการกระทําของตนเองด้วยเพราะมันเห็นผลมันมั่นใจมันถูกทางความสงสัยหมดไปบางสําคัญผิด ว่ากายนี้เป็นเรานะมันก็จบไปนะียเพราะมันเห็นแล้วว่ากายเป็นส่วนของกายนะมันมันเห็นของมันล้วไม่ไม่ทุกข์เพราะกายแน่นอนนะแต่ยังทุกข์ด้วยใจเย็นนะนะไม่ทุกข์เพราะเรื่องของกายแ น, น่นอนเนี่ยมันเห็นตรงนะี้ยมันมั่นใจแล้วก็ไม่มีไม่ดังเล่ไม่อะไรต่างๆไม่ติดอะไรที่เป็นไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ เขาทำตามๆกันมาแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรมันจะเข้าใจเลยนะรักษาศีลเพื่ออะไรทำบุญเพื่ออะไรภาวนาเพื่ออะไรนะทุดดงเพื่ออะไรนั่นนี่นะไม่ใช่ทำเป็นงเพียงแค่พอเป็นพิธีแต่มันจะรู้สลยจริงว่าที่จริงทุกอย่างทำนะทำเพื่อลดทำเพื่อละทำเพื่อเลิกทำเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่น จริงๆนะทําเพื่อเพื่อสละเนี่ยจริงนะเราทําบุญเนี่ยทําเพื่อสละไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาอืรักษาสินก็เพื่อลดนะลดความโกรธสินข้อที่หนึ่งลดความโกรธนะลดโทสะสินข้อที่สองลดความโรคสินข้อที่สามลดความหลงสินข้อที่สี่เนี่ย ลดทั้งโรโกรธหลงเลย <mm> ใช่ไหมเพราะยัไงเขาโกรธก็เลยไปด่าเขาเนี่ยพูดคำหยาบใช่ไหมมันก็ลดความโกรธดังดะนะั้นเพราะโลค ก, ก็เลยโกรธอือนะ่นะเพราะหลงก็เลยเพ้อเจอ้อข้อที่สี่มันคงขั้วนนะอืมศิลข้อที่ห้ามันลดความดืมตัวเพราะาถ้าถ้าดื่มตัวอย่างเดียวนะทําได้ทุกอย่าง ก็คือโมหะนะขนาดไม่กินเหล้าไม่ดื่มของกินเมามันยังหลงได้บ่อยขนาดนี้นะดื่มของมึนเมาด้วยกินเหล้าด้วยเนะี่ยยิ่งหลงสารพัดนะที่มาเคยพูดก็เดินที่แล้วนะคอค์สสตินะบอกว่าตัวโลภะเนี่ยเป็นหัวหน้านะของกิเลสต้งพวงกิเลสตัวหลักๆอะไรความโกรธความ โลภใช่ไหมแต่ตัวโมหะคือความหลงเนี่ยคือหัวหน้ามันหลงก่อนมันถึงไปโกรธมันหลงก่อนมันถึงไปหยากตัวหลงเนี่ยเป็นตัวสําคัญแต่คู่ปัดของตัวหลงคืออะไรตัวสติกนะกลับมามีสติรู้สึกตัวบ่อยๆนะทําบ่อยๆเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ฝึกสตินะบ่อยๆเนาะ อย่าไปทําด้วยความเคร่งเครียดตั้งใจนะต้องทําด้วยความสบายทําด้วยความผ่อนคล า, ายนะนะทำไปเรื่อยๆทาแบบไม่ต้องเอาอะไรทําแบบไม่ต้องไปรู้อะไรก็ได้แค่รู้ว่ากำลังทําอะไรนะไม่ต้องได้อะไรแค่ได้ทํคาคําว่าได้ทำเน่ะ ได้ ท, ทําพอทหารมันจะได้ ท, ำทํำพอโทมแต่ถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยจะไม่ได้เลยนะเพราะเราไม่อยากทำํำนะแต่อยากจะได้ทำพอโทมมันไม่ได้นะต้องทำเพิ่มแค่เหมือนได้ทําแล้วมันจะเข้าถึงทำนะมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันเคือแค่มีส ต, ติมีสมาธิต้งนั้นมันจะเห็นเลยว่าความสงบความตั้งมั่นนะความไม่ทุกข์ มันก็อยู่ตรงที่ตั้งใจทำตรงนั้นแหละตรงที่มันรู้สึกตัวตรงนั้นแหละมันได้เข้าถึงธรรมทัน ท, ทีเลยนะธรรมะเนี่ยไม่เป็นเรื่องเรื่องตอนนี้นะไม่ใช่เรื่องอนาคตการไม่ใช่เรื่องหลงจากตายนะการเข้าถึงธรรมต้องเข้าถึงตอนนี้นะเข้าถึงที่นี่แล้วก็เข้าถึงทุกขณะจิตนะยิ่งดีนะ เข้าไปถึงก็ไม่เป็นไรก็เอาใหม่แต่อย่าไปหลงนานเกินไปนะมันจะมันจะเนินช้าแล้วมันก็จะเสียนที่ใสนะเพราะถ้าเราไม่รู้รตัวมันก็ดืมตัวไปเรื่อยนะมันก็เหมือนมันก็นานมันก็ยากไปเรื่อยเนาะมันก็หลายปีทางเหมือนกับเราอยู่ในกระแสน้ำถ้าเราไม่พายเรือทวนน้ำเราก็ถูกน้ำเขาไหลถอยลงไปตกลงไปเรื่อยๆ การอยู่นิ่งๆการไม่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งนะแต่เราไหลไปเรื่อยเราต่ำไปเรื่อยนะแต่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยเหมือนทวนตอนทวนก็หนักอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็อย่างน้อยก็ไม่ไหลต่ำลงไปนะถ้ามันไม่ก้าวหน้าไปถึงฝั่งมันอย่างน้อยก็ไม่ต่ำลงมากแต่จริงทุกครั้งที่เราทำมันก็ดีแล้วมันก็ถือว่านะนักนก็ ก็ฝากไว้เนาะ